บาตรของเสรพรามและก็เหล่าสัตว์บางพวกจะตัดสรู้มีภิกษุสงฆ์เป็นบริวารเสด็จจาริกไปในในแคว้นนั้นสมัยนั้นเมนธะกาศเศรษฐีเป็นหัวหน้าของเหล่าผู้มีบุญมากหาคนนะนะในะในตำแหน่งเศรษฐีก็มีเมธะกาศเศรษฐีภรยาหลวงของเขาชื่อว่าจันทะปัทุมาหนึ่งเป็นสองแล้วนะบุตรของเขาชื่อว่านันเฉศทนันชัยเสถีรหนึ่ง ภรยาของทนันชัยเศรษฐีนั้นชื่อว่าสุมมนเทวีหนึ่งธาตุของเมเธะกะเศรษฐีชื่อปุนณะหนึ่งมิใช่แต่เมเธะกะเศรษฐีอย่างเดียวนะถึงในราชนาจักรของพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่มีท ร, รัพย์สมบัตินะนับไม่ท่วนนับไม่ได้ถึงห้าคนมีโชติยะชตริระเมธะกะปุณณนะและกากาพิระเศรษฐีทั้งห้าคนเนี่ยทราบว่าพระทศวรยานเนี่ยนะมาถึงที่นครของตนนะ่ย ก็เรียกเด็กหญิงวิสาขา เ, เรียกหลานนั่นเองที่ดาของธนันชายเศรษฐีผู้เป็นบุตรมาแล้วก็สั่งบอกว่าเมนูเป็นมงคลของเจ้านะทั้งปู่เจ้าจงพากันนะพาเกวียนห้าร้อยเล่มพร้อมด้วยเด็กหญิงห้า้อคนนะนะบริวารของเจ้ามีทาสีห้าร้อยเป็นบริวารจงทำการรับเสด็จพระทศวรยานเกิดมามีมีบริวารห้าร้อยอ่ะรวยขนาดนั้นนะ มีพี่เลี้ยงเรงั้นเดียอมีคนเป็นเพื่อ น, เ, อนเด็กเพื่อนเนี่ย น, น, นะเป็นบริวารเป็นทาสีห้าร้อยคอยดูแลไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในฐานะเพื่อนอยู่คอยดูแลด้วยเราเกิดมาไม่อามานี่เกิดมาอนาถแท้เกิดมาในกระด้งเก่ า, กามีกระดงเก่าๆมีเพื่อนทุกคนเลใครเกิดมามีคนดูแลก็มีบุญใช่ไหมเอามาคนประหลาดประหลาดเนี่ยเกิดในปา่าบุญน้อยมาก เกิดมาก็มีกระดองมีมีมีโฟกเมาอเล็กๆเก่าๆเป็นผ้าถุงแม่ปู่เนี่ยนะนางฟังของปู่ก็ปฏิบัติตามแต่พ่อนางเป็นผู้ฉลาดในเหตุและไม่ใช่เหตุเอา้าเราเจ็ดขวบเนี่ยเรารู้จักเหตุไหมและไม่ใช่เหตุไหมอะไรเป็นเหตุของบุญอะไรเป็นเหตุของบาปนี่รู้ไหมไม่รู้เลยเนี่ยนี่ฉลาดขนาดนั้นนะ ถ้าทำเหตุอย่างนี้แล้วจะได้ผลอย่างนี้ถ้าทำเหตุอย่างนี้แล้วจะได้ผลถ้าทำเหตุดีแล้วจะได้ผลดีถ้าทำเห ต, này, ตุหตหต ach, ไม่ดีผลจะไม่ดียังไงทำแบบนี้จะเป็นเหตุทําให้ไม่มีปัญญาเหตุอย่างนี้จะทําให้ไม่มีปัญญารู้หมดรู้เหตุแล้วไม่ใช่เหตุรู้การควรและไม่ควรใช่ไหมถ้ารู้ฐานะอาถะรพ์นะั้ว่าอันนี้เป็นฐานเป็นเหตุที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเป็นต้นเนี้ย นางก็ไปด้วยยานเท่าที่พื้นที่ยานจะไปได้แล้วก็ลงจากยานเดินไปเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้วยืนอยู่หนะ้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นพระบรมศาสด า, สดาแสดงธรรมโปรดด้วยอํานาจแห่งจริยาของนางนะแสดงไปตามจริยาของนางที่นางบำเพ็ญทานกุศลสินกุศลมานเดียวก็แสดงปุพพะจริยาคือให้ให้เหมาะสมแก่อธัธยาศัยนั่นเองจบพระธรรมเทศนานางก็ดํารงอยู่ในโซดาปฏิผล เจ็ดขวบบรรลุแล้วเด็กอีกห้าร้อยก็ บ, บรรลุตามด้วยบรรลุตามด้วยโอ้โหตอนเราเจ็ดขวบเนี่ยรู้เรื่องเรื่องบาบบุญเลยวิ่งทนทนทนท น, ทนเลยใช่ไดื้อก็ดื้อใช่ไหมไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยแต่นี่บรรลุซะแล้วแม้เมนตกรศเสฐีก็เข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วนั่งนะัีิกวรส่วนข้างหนึ่ง พระบรมศาสดาแสดงธรรมโปรดด้วยอำนาจของจริยาของเศรษฐีนั้นจบเทศนาเมินกาเศรษฐีก็ดำลงอยู่ในสวัดาบันพอเป็นพระสวัสดาบันไหมมินากาเศรษฐีอราธนาพระศาสด า, สดาสเสวยอาหารในวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะวันลุ่งขึ้นก็เลี้ยงดูภิกษุสง์มีพระเจ้าเป็นประมุขด้วยอาหารอย่างประณีตในนิเวศของตนถวายมหาทานดูบายนั้นครึ่งเดือนสิบห้าวันถวายทุกวัน พระบรมศ า, ศาสดาประทับที่พัทยนาครตามพุทธอัตยาศัยแล้วก็เสด็จหลีกไปนะทีนี้ในสาวสถีเนี่ยพระเจ้าประสิทธิโกศล ส, ส่งข่าวสารไปยังสำนักของพระเจ้าพิมพิสารว่าแน่นาจักรของหม่อมชั้นในชื่อว่าสกุลที่โภคสมบัตินับไม่ถ้วนไม่มีเลยตอนนั้นนอะตอนนั้ น, นอา น, น, น, น, นาถปิณฑิกาก็น่าจะยังไม่อยู่ช่วงนั้นเนอะหรือ ย, ยังไงนะ สกุลที่พ่ขทรัพย์นับไม่ท้วนไ ม, ม, ม, ม, ม่มีอยู่ขอโปรดว่างั้นส่งสกุลที่มีโ่อขยสมบัตินับไม่ท้วนให้หม่อมชั้นด้วยก็ส่งสารถึงพระเจ้าพิมพิสารบอกขอเศรษฐีมาอยู่ในเมืองสาวถีหน่อยสรุปก็คือต้องการที่อยากจะได้คนที่มีทรัพย์มากมายมาอยู่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองอันนี้ก็คือเป้าหมายก็คือต้องการให้มาลงทุนนั่นเอง ถ้าพูดอย่างทุกวันนี้ก็คือว่าเชิญชวนเศรษฐีที่มีทรัพย์จนเหลือล้นพ้นประมาณทั้งหลายมาทําเศรษฐกิจในเมืองสาวาถีฟานโกโส์เนี่ยเจริญรุ่งเรืองหน่อยต้องการให้มาลงทุนขนาดใหญ่ใช่ไหมคือมีการลงทุนอย่างมโหราเนะี่ยก็เหมือนอย่างบ้านเราอย่าง้ไหมเรก็ไปเชิญชวนให้เขามาลงทุนมาแรงต่างก็ว่าไปเถสรุปก็คือต้องการภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันเจริญเติบโตก็ว่าไปนี่ก็เหมือนกันแต่ต้องการมา เอาเศรษฐีมาทําให้ประเทศชาตินั้นเกิดความเจริญรุ่งเรืองทางด้านของทรัพย์ภายนอกด้วยทีนี้จึงในครั้งนั้นนะ่บอกว่าเราอมาตะก็ปรึกษากันว่าไม่อาจจะส่งสกุลใหญ่ๆไปแต่เราจะส่งบุตรเศรษฐีคนหนึ่งไปก็ขอร้องธนัญชัยเศรษฐีบุตรของเมธกาศเศรษฐีพระราชาก็ตำลัดว่าปรึกษาคำอำมตเหล่านั้นก็ส่งธนัญชัยเศรษฐีไปครั้งนั้นพระเจ้าโกศน พระราชทานตําแหน่งเสด็จให้เขาอยู่ในนครสาเกตท้ายกรุงสาวัตถี7โ็ดยอในกรุงสาวัตถีบุตรของมิคราเเสด็จชื่อว่าปุณณวัฒนกุมารเจริญวัยแล้วขนาดนั้นบิดาของเขาก็รู้ว่าบุตรของเราเจริญวัยแล้วเป็นสมัยที่ผูกพันด้วยคารวาดีไซส์ก็ส่งคนทั้งหลายผู้ฉลาดในเหตุนั่นไม่ใช่เหตุเหมือนกันก็สั่งว่าพวกท่านจงสอหาเด็กหญิงในสกุลที่มีชาติเสมอกับเราคนเหล่านั้นก็ไปพบหญิงที่ต้องการในสาวัตถีก็พากันไปที่นครสาวกี นักละครสาเกตวันนั้นเองวิสาขาเป็นหญิงสาวนะพร้อมด้วยบริวาร500รอที่เป็นไยรุ่นเนี่ยแหละแวดล้อมพากันไปยังบึงใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อเล่นนักสัตว์ตเลิดแม้คนเหล่านั้นเอ๊ะระโสดาบานยังมีการเล่นอยู่นะเนี่ยแต่ท่านเล่นอยู่ในกรอบนะในกรอบมีสินห้านะไม่ใช่ดื่มน้าําเหล่าน้ําเมาเที่ยวการละเล่นเล่ น, ลนการพ น, นันคบคนชั่วเป็นมิตรไม่ใช่เลยแปลว่าท่านอยู่ในกรอบแต่ท่านก็ต้องไปตามอัธยาศัยใช่ไหม ฝนเริ่มตกหญิงที่ไปกับ น, นางทั้งหมดนะ่ะก็รีบเข้าศาลาเพราะกลัวเปรียกฝนคนเหล่านั้นไม่พบหญิงตามที่ปรารถนาในระหว่างเด็กหญิงเหล่านั้นน่ะแต่วิสาขาอยู่ข้างหลังเด็กหญิงเหล่านั้นทั้งหมดไม่นำพาฝนที่กำลังตกมาเลยเปรียกปอนไปยังศาลาเพราะไม่รีบเดินคนที่งามเนี่ยคนวิ่งจะไม่งามนั้นผู้หญิงที่ทำอะไรลุกนี้ลุกลนอย่ดูไม่งามนั้น ถ้าใครปรารถนางามแต่ไม่ใจทําแบบชา้าๆยืดๆญานๆเนียคือ <c oughs> คือทำแบบรักษารักษารักษาการยืนการเดินให้ดูงามดูงามก็คือคนมีสติสมัมปชัญญะนั่นเองอย่างเราอยากกระโดดก็กระโดดอยากวิ่งก็วิ่งยังว <c oughs> เ อ, อ้ยผู้หญิงวิ่งเนี่ยไม่งามมีอะไรบ้างนะช้างเนี่ยวิ่งก็ไม่งามผู้หญิงวิ่งก็ไม่งามยังวะพระมหาสัตว์ทรงเครื่อง ก็ไม่งามแล้วใครสมมณะนักบวชใช่ไหมวิ่งไม่งามหมดหรือยังสอย่างนี่นะฮะสตรีวิ่งไม่งามนักบวชก็วิ่งไม่งามพระราชาก็ไม่งามช้างไม่งามใช่ไหมแค่นั้นใช่ไหมดังนั้นวิ่งได้นะทำไมช้างวิ่งไม่งามตัวใหญ่นะอแล้วก็ยิงไป ช่างที่จะออกสึกออกอะไรได้แล้วเนี่ยวิ่งหนีจะดูน่าเกลียดเลยวิ่งหนีก็หูรี่เลยเนี่ยน่าเกลียดเลยนอันนี้ไม่ได้เออผู้หญิงก็วิ่งไม่งามยอมบางคนบอกช่างว่าไม่งามมาตั้งนานแล้โอ้ยเดี๋ยวนี้ก็มีมีนักวิ่งหญิงนะดูไงก็ไม่งามนะอวิ่งไปวิ่งมาก้ามขึ้นเป็นมัดเลยดู ไมนได้เรื่องเลยตอนนี้กลายเป็นหัวปีไปแล้วตอนนี้ทั้งน่องทั้งแขนทั้งขาหมดสภาพความงามไปเลย <c oughs> พวกก็ไปเย้วยอิ่งคนเสียสภาพร่างกายไปหมดฟิตร่างกายยังกลายเป็นผู้ชายไปแล้ว <c oughs> แล้วก็เปียกนะเพราะไม่รีบเดินคนเหล่านั้นเห็นนางคิดว่าเด็กหญิงคนนี้สาสวยยิ่งกว่าหญิงทั้งหลายนะี่ยเป็นสิ่งที่หญิงบางพวกตกแต่งไว้เหมือนช่างทำาตกแต่งร้อรถไวนะนะ้เช่นั้น่ะ ก็ในสุดจริงๆก็คือว่าแม่หนูเจ้าเหมือนสตรีที่มีวัยเป็นผู้ใหญ่ฉะนั้นนางก็ถามว่าพ่อท่านพวกท่านเห็นอะไรจึงกล่าวคนเหล่านั้นก็ตอบหญิงสาวที่เล่นกับเจ้าคนอื่นๆรีบเข้าสลาเพราะกลัวเปรียกฝนส่วนส่วนจนเจ้าเหมือนกับหญิงแก่ไม่รีบสาวเท้าเข้าไปไม่นำพาวผ้าจะเปียกแล้วก็บอกถ้าช้างเมื่อม้าหรือม้าเนี่ยไล่ตามเจ้ามานี่เจ้าจะทําอย่างไรนางก็กล่าวพ่อท่าน ขึ้นชื่อว่าขึ้นชื่อว่าผ้าหาได้ไม่ยากในสกุลของฉันหาได้ง่ายส่วนผู้หญิงเจริญวัยแล้วเป็นเหมือนสินค้าที่เขาขายเมื่อมือหรือเท้าหักคนทั้งหลายเห็นผู้หญิงที่เรือนร่างบกพ่องแล้วก็รังเกียจถมน้ําลายแล้วก็หนีไปเพราะเหตุนั้นจฉันจึงค่อยๆเดินใช่ไหมก็คือวิ่งไปบางคนไม่ระมัด ร, ระวังอุบัติเหตุก็เกิดใช่มไหมฉะนั้นตนเองเห็นประโยชน์ต่างๆตรงนี้จึงไม่วิ่งแล้วผู้หญิงก็เหมือนสินค้า ถ้าขาหักราคาก็ตกตาบอดราคาก็ตกราคาตกไหมฟันหมดปากเลยขายได้ไหมจะไปประกาศแล้วขายได้ไหมไม่ได้ตาบอดซะแล้วเนี่ยราคาก็ตกเรียบร้อยใช่ไหมกระดกหมดราคาสิ้นยดหมดอํานาจเรียบร้อยเลยเนี่โอ้โหถ้าใช่ไหมไปซ่อมก็ยากเลยนะเอาวิ่งไปวิ่งมาเป็นล้อมโตมหน้าขูดกับพื้นเนี่ยนะ เออจะหมูกก็ไปหมดเลยที่จะซ่อมยังไงถ้าคนไม่มีจมูกสวยมไหมไม่สวยเลยดูไม่ได้เลย <c oughs> ผู้หญิงเนะี่ยลองลองดูวันนั้นเนี่ยอิคุยกับยอมยอมว่าผมผมเนี่ยนะยอมก็บอก <c oughs> ผมสังเกตดุหน้าผู้หญิงเนดูดีถ้ายกจมูกออกแล้วจะสวยไหมก้อง <c oughs> บอกว่าหมดสภาพเลยขายไม่ได้เลยว่างั้นยขายไม่ไ ด, ยไได้ยกจมูกออกชิ้นเดียวกแน่นนะั้นหมดความสวยเลย แล้วเป็นงั้นจริงไหมโหขาดก็ไปไม่เป็นแล้วคนก็ถ่มน้ำลายหนีไปเพราะเหตุนั้นจริงค่อยๆเดินคนเหล่านั้นคิดว่าหญิงในชมพูทวีปนี้ไม่มีจะเทียบกับหญิงคนนี้นะไม่มีที่จะเทียบทั้งรูปร่างเอ่ยคำพูดรู้เหตุและไม่ใช่เหตุแล้วก็เวียงพวงมาลัยเนะี่ยขนาดนั้นนางวิสาขาคิดว่าเราไม่ถูกเขาเวียงแขนมาก่อนแต่บัดนี้ เราถูกเขาเหวี่ยงแขนแล้วจึงนั่งลงที่พื้นดินโดยการที่ถูกเขานำไปแล้วครั้งนั้นก็เหวี่ยงวงมาลัยมาคล้องคอนางก็เลยนั่งอยู่ถึงนั้นคนทั้งหลายก็เอาม่านกั้นล้อมนางไว้ตรงนั้นนั่นเองนางรู้ว่าเขาปิดกั้นไว้ก็มีหมู่ทาสีห้อมล้อมกลับไปในเรือนคนของมิขราเศรษฐีเหล่านั้นก็พากันไปในสํานักของธนันชัยเศรษฐีพร้อมกับนางเมื่อเศรษฐีถามว่าพ่อคุณ พวกท่านเป็นชาวบ้านไหนก็ต่อพวกเราเป็นคนของมิคคาเสฐีกรุงสาวัตถีทราบว่าที่เรือนของท่านมีเด็กหญิงเจริญวัยแล้วท่านจึงส่งพวกเรามาธนนชัยเศรษฐีเก่าวดีแล้วพ่อคุณเศรษฐีของพวกท่านเทียบกับเราไม่ได้ทางพวกกระซับก็จริงแต่ก็เท่าเทียมกันโดยชาติก็บอก ว, ว่าท่านจนกว่าเราจริงนะแต่เราก็มาดูพิจารณาดูชาติเราใช้ได้ถึงจะจนด้วยซับจะไหมแต่ชาติเสมอกันเนี่ยนะ ก็เขาดูกันอย่างนั้นด้วยเนียทุกวันเนี่ยโดยมากก็จะอยู่ด้วยกันก็ไม่ให้พ่อแม่ดูให้ดูกันเองเชื่อมั่นก็เขาสอนให้เด็กเชื่อมัน่นไงเชื่อไปเชื่อมาเลยการแตกแยกมากที่สุดการแตกแยกมากที่สุดสมัยก่อนมีการพิจารณากันเป็นชนิดที่ว่าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกันเลยว่ากั้นจะตรวจสอบคุณสมบัติโอ้ยถ้าเราทําอย่างนี้ครอบครัวไม่แตกแยกมานานแล้วใช่ไหม โอนสืสบกันยันตระกูลนะถ้าตรวจสอบกันอย่างนั้นน่ะยังไงดูถึงพ่อถึงแม่ถึงปู่ถึงตาถึงยาย criteria. ดูรายละเอียดเบ็ดเสร็จแล้วมีการสอนอะไรกันมายัางไงดูรายละเอียดขนาดนั้นเราไม่เคยถูกเช็คขนาดนั้นเลยยังไงใครมาเช็คเราขนาดนั้นโกรธตายเลยไม่เอาแล้วไปเลยตอนนี้เขามีการเช็คกันอย่างนั้นมีการตรวจสอบกันอย่างนั้นนะเวลาจะแต่งงานจะอะไรกันนี่เราโดยมากปล่อยกันยังไงก็เลยนะเดี๋ยวเนี้นะ บบเบ็เสร็จกันแล้วแต่ลูกมัน่าแก่ตัวไปแล้วก็ยอมลูกทุกอย่างเออแล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกตายยายก็นั่งหน้าเปลี บ, บ, บเออเดี๋ยวนี้เขาทาวิจัยกันออกมานะวันก่อนโยมมานั่งเล่าไปฟังก็บอกว่ามีการวิจัยกันว่าต่อไปเ ด, เด็กเด็กจะไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่เพรางั้นเด็กจะไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่แล้วยังไม่เชื่อแล้วแล้วเ ข, เขาจะเชื่อแล้วเด็กจะปะกลายเป็นคนที่ขี้โกรธง่ายงุดหงิดง่ายเขาทาวิจัยอยงั้นนะพ่อแม่ก็จะว่าไม่ได้แล้ว น้าเข้าพ่อแม่ก็จะนั่งแล้วแต่ลูกลูกเห็นยังไงก็ว่างั้นแม่ไม่กล้าขาดลูกล้อกนี่กลัวแต่ไปก็จะกลัวลูกก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้นธรรมดาคนที่เพียบพร้อมด้วยการทุกอย่างหาได้ยากกว่านั้นหาได้ยากพวกท่านจงไปบอกเศรษฐีว่าเรายอมรับคนเหล่านั้นสดับคําของธนัญชัยเศรษฐีแล้วก็กลับไปกรุงสวาวัตถีแจ้งความยินดีและความเจริญของมิคละเศรษฐีแล้วกล่าวบอกว่า นายท่านพวกเราได้เด็กหญิงในเรือนของธนันชัยเศรษฐีแล้วบอกสําเร็จแล้วมีขลาเศรษฐีฟังแล้วก็ดีใจพวกเราได้เด็กหญิงในเรือนของสกุลใหญ่โอยได้ได้เศรษฐีอ่ะนะสกูลใหญ่ด้วยจึงส่งข่าวไปบอกธนันชัยเศรษฐีทันทีวบัดนี้เราจะนาเด็กหญิงมาปวดกระทํากิจที่ควรทําเสียก็บอกว่าท่านต้องการทําสิ่งใดก็นั่นเนอะต้องการนํามา แม้ทน้นชัยเศรษฐีก็ส่งข่าวไปบอกมิขระเศรษฐีว่าเรื่องนี้ไม่เป็นการหนักสำหรับเราเลยขอเศรษฐีกระทำกิจที่ควรทำสำหรับตนเถิดมิขระเศรษฐีก็ไปเฝ้าพระเจ้าประเซนที่โกศลเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหม <c oughs> ต้องขอพระราชทานน้าสัง <c oughs> ต้องต้องอย่างนั้นเนี่ยงานงานใหญ่มากเศรษฐีต่อเศรษฐีใช่ไหมต้องขอพระราชทาน ข้าแต่เทวเด็กหญิงผู้มีกิริยาเป็นมงคลนะแกข้าพระองค์มีอยู่คนหนึ่งเด็กหญิงคนนั้นชื่อวิสาขาที่ดาของท่านธนัญชัยเศรษฐีข้าพระองค์จักนำมาให้แกปุณณนะวัฒนกุมารนะทาาของพระองค์เนี่ยนะขอทรงขอขอพระองค์ทรงโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์เนะี่ยไปนครสาเกตเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระราชาก็รับสั่งมดีแล้วท่านเศรษฐี ถึงเราก็ควรจะมาด้วยมิใช่หรือวางนั้นเศรษฐีกราบทูละค่าแต่เทวะพระองค์จะบังอาจให้บุคคลเช่นพระองค์เสด็จได้อย่างไรพระราชามีพระประสงค์จะทรงส่งเคาะสกุลใหญ่ทรงรับว่าเอาเธอท่านเศรษฐีเราจักมาด้วยแล้วก็เสด็จไปยังสาเกตรพร้อมด้วยมิกระเศรษฐีพระราชาเสด็จนำหน้า น, น, นงานนี่้งานใหญ่เคยมีไหมอย่างนี้นะ อ๋อนี่ต้องอย่างนี้ไวุ้้นถามนี่ลำบากเลยใช่ไหมอ๋ออนไรอย่างคืออย่างนี้นะในกรณีการแต่งงานอย่างนี้เป็นการแต่งงานแบบลักษณะที่มีเป็นรูปแบบเป็นคณะพิจารณากันเป็นส่วนใหญ่และเขาดู เขาดูเขานั่นเขาสืบทอดเออสืบทอดในกรณีเป็นการที่ดูดูวางแผนกันอย่างอย่างไม่ใช่เป็นการบังคับและให้สังเกตดูนางวิสาขาก็รู้ประเพณีรู้เหตุและไม่ใช่เหตุเป็นอย่างดีรู้เหตุและไม่ใช่เหตุรู้วัฒนธรรมรู้ความเป็นหญิงใช่ไรู้ว่าตนเองเนี่ยโตขึ้นจะต้องอยู่ในฐานะเป็นภรรยายอย่างไร ก็ถูกอบรมมาอย่างดีเลยฉังนั้นคนที่ถูกอบรมมาอย่างดีถูกสอนมาอย่างดีทั้งคำสอนของพระเจ้าใช่ไมมาอย่างดีแล้วเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเป็นการคุ ม, คมทุงชนถ้าคุมทุงชนเนี่ยแปลว่าบังคับกันแล้วไม่ต้องไปดูหน้าดูหลังอะไรไม่ใช่อันนี้เขาอบรมกันมาก่อนหน้าไม่มีบูรมีอะไรต่างตัวเนี่ยมันคนละประเด็นกันแล้วตรงนั้นนะเนยเพราะเป็นการให้ข้อมูลมาให ให้ข้อมูลมาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติมาแม้การดูก็ไม่ใช่คนคนเดียวไปดูมีการพิจารณามีการวิจัยกันตั้งหลายชั้น น, นีทีนี้ก็เสด็จเมืองสาเกตพร้อมเศรษฐีธนอนใจเศรษฐีรู้ว่ามิราเศรษฐีพาพระเจ้าโกศลมาด้วยออกไปรับเสด็จพาพระราชาไปยังนิเวศของตนท่านใดนั่นเองก็จัดสถานที่อยู่และมาล่ยของหอมเป็นต้นไว้พร้อมสับ สำหรับพระราชาสำหรับทหารของพระราชาและสำหรับมิกราเสตีรู้กิจทุกอย่างได้ตนเองสิ่งนี้ควราได้แก่ผู้นี้สิ่งนี้ควรแก่ผู้นี้ชนนั้นๆก็คิดว่าท่านเศรษฐีทําสการะแก่เราเท่านั้นต่อมาวันหนึ่งพระราชาส่งข่าวไปบอกท่านนันชัยเสตีพิสซาบอกว่าท่านเศสตีไม่อาจจะเลี้ยงดูพวกเราได้นานๆขอท่านเศสตีกําหนดเวลาที่เด็กหญิงจะไปเถิดแม้ทน่นนันชัยเสตีก็ส่งข่าวถวายพระราชาบัดนี้ฤดูฝนมาถึงแล้ว ทหาระั้งองค์จะเที่ยวไปตลอดสี่เดือนคงไม่ได้กิจใดๆควรจะได้กิจนั้นทั้งหมดเป็นภาระของข้าพระองค์ขอเทวะบวเสด็จไปเวลาที่ข้าพระองค์ส่งทิดาไปอย่างเดียวเถิดพระพุทธเจ้าค่ะนับแต่นั้นมาพระนครสาวัตถีก็เป็นเหมือนตำบลบ้านที่งานนักสัตว์เลือดอยู่เป็นนิดล่วงไปสามเดือนโดยอาการอย่างนี้ก็คือนั่นแหละจัดงานกันเครื่องประดับต่อมานี่นะต่อมาเกี่ยวในเรื่องเครื่องประดับ คือมหาดดาประสาทสําหรับทีดดาของธ น, นชัยเศรษฐีก็ยังไม่เสร็จครั้งนั้นน่ะเหล่าเจ้าหน้าที่ประจํางานก็มาบอกธ น, นชัยเศรษฐีว่าขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ไม่มีสําหรับชนเหล่านั้นไม่มีว่าไงแต่ปืนใช้สําหรับหุงต้มสําหรับทหารไม่เพียงพอธ น, นชัยเศรษฐีก็สั่งมาพ่อเออไปรื้อลงช่างลงมา้ามาเอาไม้มาใช้หุงต้มทหารอะทำอาหารเมื่อหุงต้มกันอยู่อย่างนี้ล่วงไปครึ่งเดือนแต่นั้น เราเจ้าหน้าที่ก็มาบอกว่าปืนยังไม่พออีกทนันชัยเศรษฐีก็รับสั่งเพราะเออเ น, นรดูนี้เราหาปืนไม่ได้อีกแล้วพวกท่านจงเปิดเรือนคังผ้าเอาผ้าชนิดห ย, ยาบๆยบมาฟั้นเป็นเกลียวชุบไปในน้ำมันให้หุงต้มอาหารแก้ไขแล้วเมื่อหุงต้มโดยทํานองนี้สี่เดือนนะต่อจากนั้นทนันชัยศรีรู้ว่าเครื่องประดับมหาลดาประสาทสาหรับที่ดาเสร็จแล้วนี่นะ ก็สั่งว่าพรุ่งนี้เราจะส่งธิดาไปก็เรียกธิดาเข้ามานั่งใกล้ๆ ใ, ให้อวาดลูกเอ๋ยธรรมดาสตรีจะอยู่ในสกุลสามีควรจะศึกษามารยาทอย่างนี้อสอนแล้วแต่เนืนอสอนบุตรแล้วถามว่ามีใครสอนอย่างนี้ไหมบอกว่ามีขลาเศรษฐีอยู่ภายในห้องได้ยินโอวาทของธนัญชัยเศรษฐีใช่ไหม ท่านอาจารย์ชายเศรษฐีก็ให้โอว่าบอกว่าลูกเออธรรมดาเนี่ยสตรีอยู่ในสกุลสกุลที่บิดาของสามีไฟในก็ไม่พึงนําออกนะใช่ไหมไฟในไม่พึงน้าออกไฟนอกก็ไม่พึงนําเข้าที่สอนแล้วพระธรรมนะที่สอนอย่างเงี้ยเป็นพระธรรมนะเนี่ยเราก่อนจะไปอยู่สกุลของสามีถูกแม่สอนถูกพ่อสอนแบบนี้ไหมถูกไหมยอมที่แต่งงานแล้วพ่อแม่สอนแบบนี้บ้างไหม ไม่รู้เรื่องเลยนะยเอาว่าไงยอมแัตตอรีวพ่อแม่ก็สอนอย่างนี้ไหมเลวลาไม่สอนเลยนะอ่ะดูข้อพึงให้แก่ผู้ที่ให้ไม่พึงให้แก่ผู้ที่ไม่ให้พึงให้ทั้งผู้ที่ให้ทั้งผู้ที่ไม่ให้พึงนั่งเป็นสุขพึงบริโภคเป็นสุขพึงนอนเป็นสุขให้บมเรอไฟพึงนอบน้อมเทวดาภายใน คันให้โอวาสิบอย่างนี้ว่าวันรุ่งขึ้นก็ประชุมนายกองทุกกองนะจัดกุดุมพีแปดนายในพวกเสนาพระราชาเป็นนายประกันแล้วก็กล่าวว่าถ้าความผิดเกิดขึ้นแก่ที่ดาของเรานะที่ที่ไปแล้วไซพวกท่านจงชำระนี่ถ้าอย่างนี้ถือว่าคุมคุมฝูงชนไหมป้องกันให้ด้วยอ่ะเอาสิแต่เนี้นะป้องกันว่าหนึ่งลูกก็ต้องไม่ไปทาผิด และในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ใครเบียดเบียนลูกได้ด้วยถ้าจะมาเบียดเบียนในทางที่ผิดก็จะมีคณะพิจารณาคดีความประจาไม่เลยอย่างนี้ดีไหมเราไม่เคยได้ฐานน้านี้เลยนะนี่แบบนี้ประเพณนีนี้น่าเอามาอนุรักษ์ไปซ้ำไปผู้หญิงก็จะไม่ถูกประทุษร้ายใช่ไหมไม่ต้องมีไม่ต้องมีมูลนิธิเด็กและสตรีของประเทศไทยรอกไม่ต้องมีเลยอ่ะ พาะมีคณะกรรมการใช่ไหมน่าจะทำานี่ยลื้อพื้นมาทำยังได้เลยใช่ไหมใช่ก็ลื้อฟื้นมาทำแต่นี้ก็จะเป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นสิทธิไหมเนี่ยโอยิ่งกว่าสิทธิอีกใช่ไหมนี่สิทธิสตรีและเด็กเลยอย่างนี้ไม่ได้เขียนบนกระดาษด้วยส่งไปเลยให้ไปประจำเลยอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ทําเครื่องประดับมันนะทำเครื่องประดับ เ, เ, ค, รรบเครื่องมหาลดาประสาทมีค่าเก้าโกรดก้าโกรดให้ทรัพย์อีกห้าสิบสี่เลื่อมเกวียนเป็นมูลค่าสําหรับผงเครื่องหอมสําหรับผสมน้ําอาบให้ทาสีรูปสวยคอยปรนิบัติในเวลาเดินทางประจํามีนี้อีกห้าร้อยนางรถเทียมม้าอาชาในห้าร้อยคันสกาละทุกอย่างอย่างละร้อยอย่างละร้อยนะชี้แจงให้พระเจ้ากศลและมีคาราชการที่ทราบแล้ว เวลาที่ดาไปเรือนเจ้าในที่ควบคุมมาคอกโคมาสั่งพ่อเอ้ยในที่ที่ที่ดาจะไปแล้วให้เตรียมโคไว้เพื่อที่ดาของเราต้องการจะดื่มน้ำนมให้เตรียมโคใช้งานไว้เพื่อที่ดาของเราต้องการจะเทียมยานเพราะเหตุนั้นพวกท่านก็เปิดประตูคอกโคในหนทางที่ที่ดาเราไปนะเอาโคใช้งานแปดตัวที่อ้วนพีจัดเป็นตัวนาฝูงโคแล้วก็เข้าไปชื่นโนนมีเนื้อที่ประมาณ3าาวุธเมื่อฝูงโคถึก ที่นั่นแล้วพึงตีกองเป็นสัญญาณให้เปิดประตูนะข้อโคคนเหล่านั้นรับคำของเศรษฐีดีแล้วแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อประตูค้อกเปิดออกแม่โคทั้งหลายที่อ้วนพีก็ออกแต่เมื่อประตูปิดเหล่าโคที่ปึกโคที่มีกำลังโคดุก็โลดแล่นออกไปข้างนอกแล้วก็เดินตามทางไปเพราะแรงบุญของนางวิสาขาคืองนี้ที่จริงจะแบ่งให้ไม่ได้มากอะไรนะแต่คนมีบุญเนนะี่ยใช่ไหม จะแบ่งโคแค่แปดตัวแค่ร้อยตัวแค่ห้าแค่เนี้ยนะทีนี้พอโคที่แข็งแรงเป็นโคหัวหน้าโคถึงทั้งหลายเนะี่ยก็กระโดดกระโดดจากค อ, อกนั้นมาเข้าสู่ค อ, อกกระโดดมาเป็นแถวหมดเลยเพราะรู้ว่าก็เป็นนางสาขาจะไปอยู่กับนางสาขาแม้แม้โคยังทนไม่ไหวด้วยอํานาจของผลบุญที่นางทํามาอย่างมากมายเนะยพอโคจากฝูงโดดแล้วโคลูกฝูงโดดตามปเป็นแถวใช่ไหม เพราะโคลูกฝูงก็ต้องตามโคจ่าฝูงเล่นโคจ่าฝูงโดดไม่ใช่ห้าร้อยแล้วไม่ใช่ร้อยแล้วทีเนี้ยเพิ่มใหญ่เลยถ้าของเราใช้โดดนี้หมดเอาไปจูงก็ไม่ยอมมาอีกตีก็ไม่ยอมมาอีกใช่ไหมเดนมากก็เป็นอย่างเงี้ยเวลาหมดแล้วเนี่ยที่จริงยาวประวัติของนางวิสาขาสรุปประเด็นนิดหนึ่งสรุปประเด็นนิดก็คือว่าเนี่ยเครื่องมหาลดาประสาทนี่แหละราคาเก้าโกดนี่เลย กล้าโกรธนี้คิดเป็นเงินเท่าไหร่นี่แหละนางเอาไปสร้างปุกพารามปุกพารามนี้สร้างเป็นปร า, าสาทสองชั้นชั้นละห้าร้อยห้องภิกษุสองมิมมาอยู่ได้พันลูกตอนนี้เหลือหมูมเล็กๆ เ, เหลือเนื้อที่เล็กนิดดอนลุกหมดแล้วพื้นที่ตรงนั้นก็มีเสาโศกอยู่นิด ใบก็สังเวครทมเกิดเยอะต้องไป น, นึกภาพจินตนาการประสาทของนางวิสาขานั้นในบริเวณเหล่านั้นพระอรหันเกิดเออพระรยาเกิดเยอะมากมีอยู่ครั้งหนึ่งนะในรายละเอียดที่จริงเดี๋ยวมีเวลาต่อไปก็ต้องขยายถ้าจะใช้เวลาเมื่อกี้ดูแล้ ว, ก, ลวก็ต้องใช้เวลาประมาณเป็นชั่วโมงครึ่งก็ไม่จบตรงนี้ก็ให้รู้ว่านางวิสาขาก็อยู่ในฐานะเป็นมหาบสิกาแล้วก็นางนี้ จเจริญทานนะกุศลจเจริญจาคานุสติในนางยังปราโมดพีดีปสัสสติความสุขสมาธิให้เกิดขึ้นนางสามารถอยู่ในสมาบัติได้เป็นบางครั้งบางคร า, าวได้<ม>นั้นบุคคลเหล่านี้ท่านใดอยู่ในสมาบัติได้ไม่ไมยากเลยการเดินทานนะกุศลหรือจาคานุสติหรือศีรานุสติเป็นต้นนั้นนางจะดักทานกุศลไว้ทุกมุมเมืองถ้าพระมาเมืองสาวัตถีที่จะไม่เคยรับ อาหารกองนางหรือใช้ของสิ่งของกองนางไม่มีเลยเวลาพระมากราบทูลพระเจ้าว่าภิกษุรูปนั้นมรณภาพไปเป็นอย่างไรพยากรอะไรให้พระเจ้าพระเจ้าพยากรเป็นพระโสดาบานมีอันไม่ตกตามบ้างเป็นพระสกาทาคากลับมาในโลกใบนี้เป็นพผ้านาคาจัดไปพรหมโลกทั้งหลายที่เป็นผ้าอาหารปริทิพานและเบษษ็ดเสร็จนางก็จะไปถามภิกษุที่มารายงานบอกพระเจ้าพระเหล่านั้นที่พภาศาสดาพยากรเนี่ย เคยมาสาวัถีไม้พอบอกมาอุ้ยนางก็ยังปลาหมดปีติประสิทธิ์แสดงว่าเรียบร้อยบุญกุศลของตอนเองเนี่ยได้กระทบถึงคุณธรรมของท่านเหล่านั้นแล้วเป็นต้นเหล่านี้เราก็หัดดักทานในกุศลไว้ทุกมุมของของบ้านหน่อยได้ไหมใช่ไหมทมทุกวันแล้วเออทักทที่หนึ่งก็ยังดีอ่ะนะแบบประเภทที่พระมาแล้วไม่ผิดหวังกลับไป เราก็จะได้ทานกนุศลที่ไม่ผิดหวังเหมือนกันมึงคนพาดเดินผ่านหน้าบ้านเดินไปไปเหลืองท่าน <c oughs> ตามตีไม่เห็นเด้นี่ <c oughs> เคยเป็นอย่างนั้นไมโยสมควรเย่วเวลาแล้ว